วิชาในโสดาปฏิมักสกาธาคามีมกักอานาะคามี ม, กาามาักอนาธรรมมักถ้าถามว่าพระบรมศา ส, สดาตัดาาสรู้โนตระสัมมาสัมโพธิญาณตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าพระุทธเจ้านั้นต้องบรรลุเป็นไปตามลำดับแห่งมักไหมต้องเป็นเนเ อ, อต้องได้โสดาปฏิมักสกาธาคามีมกักอนาคารมัมกอนาธรรมมักเนอะไม่ใช่โดดข้าม